ถ้าเป็นธรรมขันก็แปดหมื่นสี่พันถ้าธรรมขันเพราะที่ใดมีคำสอนที่นั่นก็ปฏิรูปประเทศเพราะฉะนั้นบ้านคุณบุญชูก็ปฏิรูปประเทศเนะเพราะมีพระไตรปิฎกอยู่ที่นั่นอนะมีเอ็มดีมีซีดีมีอะไรฟังถ้าฟังเทพฟังธรรมได้นะถ้ามีใครถามว่าคุณบุญชูตอนนี้ไม่บวชเลยบอกบวชแล้วบวชอยู่วัดไหนบอกอยู่วัดตะ ใช่ น, นะเอา้าก็ยังอยู่ในวัดตะแต่ประพฤติศีลใช่ไหมเอ้ายังอยู่ในวัด ต, แตะตแต่ว่ายังประพฤติศีลไงศีลก็สิกขาสามเป็นการบวชในธรรมนิยายนี้ใช่ไหมแต่ว่ามันอยู่วัดแบบนี้ไม่ได้ก็อยู่วัดตะาไงอยู่ในกรรมวัดวิปากวัดเนี่ยวนๆอยู่แถวนี้แหละแต่ว่าประพฤติสิกขาสามอยู่ว่า ง, งั้นนี่ไงก็ขอให้บวชได้บวชอยู่ในวัดตะนี่แหละเพราะว่าบวชเสร็จแล้วจะออกจากวัดตะได้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 ถึงจะโคปาแลก้กะอุโบสถก็ขอให้มีบ้างเถอะเนี่ยนะถึงจะอะไรก็ดีกว่าไม่มีอุโบสถเลยดีกว่าคันถะอุโบสถก็แล้วกันนะนะขอให้สมาทานรักษาศีลบ้างเถอะพอมามีความคิดอย่างนี้ว่าใครที่ได้ทําบุญบ้างนะก็ดีแล้วอย่าได้ทําบาปที่มันบริสุทธิ์เลยว่างั้นให้มีบุญแซรกๆอยู่บ้างก็ยังดีนะทีนี้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 ก่อน9 0้าร้อยเนี่ยแล้วก็พันต้นๆเนี่ยศาสนารุ่งเรืองมากบางยุคบางสมัยเนี่ยไม่สามารถบอกได้ว่าองค์ไหนเป็นพระพิโสปุทุชนอาสนะทุกอาสนะที่พระนั่งฉันเนี่ยมีนั่งฉันและบรรลุได้มีหมดทุกอาส น, า น, นะนะทุกอาสนะมีพระอริยะเนี่ยนะมาก็เลยนึกไว้แหมปีที่แล้วเนี่ยเมษาต้นเมษาเนี่ยแหมคิดจะไปเจริญสังฆคุณที่ศีรษะท่านหน่อยไม่มีบุญ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 เพันขอให้จาฤทธ์เอาทำรรมวินัยเป็นหลักเป็นประธานนะเนะ่ปีที่แล้วเนี่ยนพรรษานี่ก็ฟังทำบ้านคุณชูศรีนนท์นั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยทั้งพรรษาอีกเหมือนกันนั่นก็ปฏิรูปประเทศเนี่ยนะปีนี้ได้ยินปารบกับโยมพ่อว่าปีนี้ไม่มีแล้วปีก่อนนั้นก็มีนะมีทั้งพรรษาเลยบางปีก็ลุยน้ําไปเทศนะนะก็ได้ทําบุญทั้งพรรษา นี่อีกนายหนึ่งแต่ถ้าปฏิรูปประเทศสําหรับการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะก็เป็นต้องมีปฏิรูปประเทศนะอย่างประเทศเป็นที่ตรัสรู้พระโพธิยานคือที่ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเรียกว่าโพธิมันทสสถานประเทศที่ทรงประกาศพระธรรมจักรประเทศที่โคนต้นมะม่วงของนายคันดำที่แสดงย ม, มะกะปาฏิหารทําลายความเมาของพวกเลระถีทั้งปวงท่ามกลางบริษัท12บสองโยศ ประเทศที่เสด็จลงจากเทวโลกก็หรือประเทศใดอันเป็นที่ประทับอยู่ของพระพุทธเจ้ามีกรงสาวัตถีกรงราชเครืเป็นต้นปฏิเทศนั้นชื่อว่าปฏิรูประเทศอันนี้ก็เป็นปฏิรูประเทศเนี่ยนะถ้าเป็นสมัยพุทธกาลเลยเป็นปฏิรูประเทศเพราะเป็นปัจจัยแห่งการได้อนุตริยะ6ประการเช่นถ้าสมัยพุทธกาลนะทศนานุตริยะใช่ได้เห็นพระพุทธเจ้า 2. ส, สวนานุตริยะได้ไรได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้า 3. ลาพานุตริยะเพราะได้ศรัทธาในพระรัตนตรยัยสี่เสขานุตริยะเพาะจะได้อบรมที่ศีลอธิจิตอธิปัญญา 5. ปาริจาริยานุตริยะได้บำรุงพระรัตนตรยัยและก็สุดท้ายอนุสตานุตริยะได้ละลึกถึงพระรัตนตรยัย ของอาตมานี้ยถ้าบุญไม่ตกหล่นซะก่อนเนี่ยออกพรรษานี้ก็จะได้ไปสถานที่ที่กล่าวไปถึงเนี่ย น, นะโพที่มันถ้าสถานตอนนี้เรียกว่าพุทธคยาเหนไะตอนนี้เรียกว่าพุทธคยาสถานที่พระพุทธเจ้าประกาศธรรมจักรเรียกว่าสารนาศสารนาหรือสาวัติเอ่อ พ, พารณสีพารณสีสถานที่พระองค์แสดงยงมะกาปารติหารก็เมืองสาวัตถีเมืองสาวัตถีที่ ปีก่อนหน้านู้นเนี่ยนะไปพรบคําพอดีเลยก็เลยได้ไปแสดงธรรมบนนั้นเลยนะเขาก็มีถ่ายภาพกันโยมโตเขาถ่ายภาพมาให้ดูอยู่เหมือนกันนะเขาส่งมาให้คุณนภาเขาถ่ายมาภาพมาให้ดูที่ที่บนยอดบนยอดตรงนั้นเลยนะบนยอดที่ที่แสดงย ม, มะกาปารติหารตอนแรกเขาไม่รู้ว่าตรงนั้นเป็นเจดีเขาเรียกว่าเป็นเนินดินกีเรียกว่าสําคัญสําคัญอยู่เหมือนกันแต่ตอนหลังก็รู้ว่าตรงนั้นน่ยคือสถานที่ที่พระพุทธเจ้าแสดงยมะกาปารติหาร เนะี่ยตรงที่ใกล้ๆวัดวัดเชนเนี่ยนะใกล้ๆวัดไทยสาวถีก็จะมีแต่พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยนะถ้าขึ้นไปบนยอดเจดีแล้วบอกว่าเชื่อเลยว่ามีบริษัทประชุมกัน12บสองโยต์จริงๆถ้าเราขึ้นไปอยู่บนนั้นเนี่ยมันจะรัศมีเป็นร้อยกิโลเมตรเนี่ยมองเห็นหมดเลยเนี่ยนะนะเพราะฉะนั้นตำแหน่งค่อนข้างดีสถานที่ตรงนั้ น, นที่พระองค์แสดงยงมะกะปาฏิหาร ส่วนที่เสด็จลงจากเทวโลกก็คือตอนนี้เรียกว่าเมืองสังกัสรเมืองสังกัสรแล้วก็เมืองสาวัตถีเมืองราชครก้องนนะหลายท่านในที่นี้ถ้ามีบุญนะนะบุญไม่ตกหลน่นหายไปก่อน <c oughs> ก็คงได้จาริกไปเจริญกุศลตรงนั้นเนี่ยนะสามารถไปให้ทานสถานที่แถวนั้นได้มีโอกาสสมาทานศีลสรรเสริญพระคุณพระรัตนตรยัยไประลึกถึงคุณพระรัตนตรยัย นั่นก็ถ่ายเอกสารสิบห้าเล่มงั้นก็ยมเบนจาไปดูให้ทันกันแล้วกันบอกมีวันละชั่วโมงเนี่ยนะไม่รู้จะทันหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่างั้นโอ้ผมมาก็ถ้าอย่างนั้นก็เอาอย่างนี้นะอย่าไปหนักใจอย่าไปลำบากใจเลยอ่า น, นะอ่านเท่าที่อ่านได้ไปแล้วกลับมาก็ได้อ่านต่อ น, น, นะกว่าจะจุติก็คงจะจบว่านั้นนอ่านไม่ทันก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวของมมาจะอ่านไปเผื่อ จะเล่าให้ฟังเท่าที่เล่าได้ถ้าเล่าทั้งหมดเดี๋ยวไม่ต้องกลับบ้านแล้วนะหมดนั่นก็จบพอดีเลยนะจบชีวิตด้วยจบเนื้อหาด้วยเพราะฉ้ปฏิรูปประเทศเหล่านั้นเนี่ยนะสามารถที่จะได้เห็นทัศนานุตรยะอย่างประเทศไทยตอนนี้ก็นับว่าทัศนานุตรยะหนึ่งได้เห็นเจดีแท น, นนะถือว่าเป็นศา ธ, ธกะสัมปชัญญะที่ใดที่อยู่แล้วเห็นเจดีนะประเทศนั้นสมควร ขอมาเนี่ยถ้าโดยส่วนตัวชอบภาคเหนืออยู่ข้อนี้คือได้ว่ายเจดีมากที่สุดเนี่ยนะเพราะว่าหันไปทางไหนก็มีแต่พระเจดี JD, หันไปทางไหนก็มีแต่เจดีทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นสา ม, มารถไหว้พระเจดีได้บ่อยได้มากกว่าที่อื่นอย่างเนี่ยเทศกาลที่ผ่านมาเนี่ยนะได้ว่ายเจดีตั้งแต่วันที่เท่าไหร่คุณผูญชม22่สิเลยนะข้อมาเนี่ไล่ตั้ง2ต2ยี่ อันนั้น25เนี่ยเพิ่งมาหยุดวันนี้นะวันนี้ก็ยังมาเนี่ยได้ทําบุญกันต่อเนี่ยนะขนาดนั้นก็ยังมีคนไปไหว้พระเจดีย์อีกนะในเนี่ยคุณว่ารงคนาเป็นต้นก็ไปไหว้พระเจดีย์อีกเมื่อเช้าเนี่ยแสดงว่าไม่ขาดเลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นต้นก็จะไปไหว้ต่ออีกละก็แสดงว่าได้ทําบุญอันนี้ก็นับว่าเป็นทัศนานุตริยะที่ได้เห็นพระเจดีย์เป็นต้นคุณรุ่งเห็นกับทุกวันเลยจะเสียแพ้คุณรุ่งนี่แหละเขาเป็นสถาอ่าเป็นนักวาดภาพ อยู่ใกล้ๆพระเจดี JD, ก็เลยเห็นเจดีทุกวันเลยนะเดีวก็มีอะไรจะฝากคุณร่วงไปไหว้พระแทนหนะ่อยนี่เข้าต่อไปนะว่าสวนานุตุระยะเนี่ยอยู่ที่ไหนแล้วได้ฟังธรรมเนี่ยตรงนั้นก็เป็นสวนานุตุระยะประเทศใดที่เกื้อกูลต่อการฟังธรรมนะประเทศตรงนั้นเนี่ยน่าสนใจมันถ้าเป็นของอาตมานะประเทศที่ได้ฟังธรรมที่สุดนี่มันเคลื่อนที่มันไม่ค่อยแน่นอนก็เลยไม่รู้ว่าที่ตรงไหนกันแน่มันปฏิรูประเทศเนี่ยนะเพราะมันเปลี่ยนไปเรื่อย นะสวนานุตรยาก็หานะว่าที่ใดที่เกื้อกูลต่อการฟังธรรมที่สุดเนี่ยนะนะก็ที่ใดที่อ่านพระธรรมได้ดีทำไมนี่ก็่าเอาฟังอย่างเดียวนะเอาอ่านด้วยผู้ที่อ่านเนี่ยค่อนข้างจะเบาเบากับฟังเพราะฟังนี่มันต้องมีไฟฟ้ามีองค์ประกอบใช่ไหมมีองค์ประกอบมีปัจจัยเยอะมากที่จะได้ฟังเนี่ยนะนะแต่ถ้าอ่านนี่ก็ใช้ปัจจัยน้อยกว่าฟัง ถ้าอ่านนะในยุคนี้ใช้ปัจจัยน้อยกว่าฟังคําว่าปัจจัยนี่หมายถึงองค์ประกอบนี่ั่นการฟังธรรมเนี่ยเกื้อกูลมากเดี๋ยวเราเรียนถึงมงคลข้างหลังต่อไปเนี่ยส่วนทัศนานุตริยะเนี่ยนะก็อยู่ในหัวข้อวัสมนานันจทัศนังก็อยู่มงคลข้อต่อไปใช่ไหมสวนานุตริยะก็อยู่ในกาเลนธรรมสวนังก็อยู่ที่การฟังธรรมแลอะอีกสาลาภานุตริยะ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 มีเครื่องสการะก็ระลึกถึงอันนี้ก็ถือว่าเป็นลาบอย่างยิ่งแล้วเป็นลาบของเราเราได้ดีแล้วหนอที่ได้นับถือพระพุทธเจ้าผู้ทรงคุณอันประเสริฐนี่เรายังได้มีการศึกษาเรียกว่าศิกานุตริยะใช่มมีการสมาทานอธิศีละศิกขาอะไรหลายท่านในที่นี้วันนี้ก็สมาทานอุโบสถ อันศนะีลห้า น, นี่ก็ถือว่าสมาทานก็นับว่ามีบุญมากแล้วที่ได้สมาทานศีลห้าแต่ได้สมาทานอุโบสถได้ก็เป็นความประเสริฐยิ่งกว่าศีลห้ามันก็นั่นก็เป็นอะไรนุตริยะสิกานุตริยะเราฟังธรรมอยู่นี่ก็เป็นการอบรมอธิจิตและอธิปัญญาขณะที่เราปราลรพุธคุณอยู่ก็เป็นการเจริญอธิจิตตสิขาขณะที่มณสิการอริยสัจก็เป็น อธิปัญญาศิกขาวันของเราก็อบรมทั้งอธิจิตศิกขาและอธิปัญญาศิกขาควบคู่กันไปอันนี้ก็เป็นศิกขานุตริยอย่างอื่นอีกล่ะปาริจารยานุตริยาเนี่ยนะก็ได้บำรุงพระรัตนตรัยเนี่ยนะอย่างอย่างสถานที่ตรงนี้ผู้การก็ถือว่าบำรุงพระรัตนตรัยใช่ไหมหลายท่านก็ช่วยกัน ร, ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจเพราะว่า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 ผู้ที่มีศรัทธาก็บํารุงด้วยศรัทธาท่านก็อาศัยกุศลธรรมเหล่านี้การบํารุงพระพุทธเจ้าก็แบ่งเป็นสองอย่างไหมบํารงด้วยปัจจัยสี่กับบํารงด้วยการปฏิบัติเนี่ยนะการบำบรงด้วยปัจจัย4ี่ก็เรียกว่าอามิสบูชาใช่ไหมการบํารุงด้วยการปฏิบัติก็เรียกว่าปฏิบัติบูชาทั้งอามิสบูชาทั้งปฏิบัติบูชาก็ช่วยให้ศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดํารงอยู่ได้ต่อไปดํารงอยู่ที่ไหน ใจของศาสตร์ทั้งหลาย น, นะจริงๆแล้วถามว่าเพื่อประโยชน์แก่พระรัตนตรัยหรือประโยชน์ของเราทั้งหลายประโยชน์ของเรานะพระพุทธเจ้าสุขโตไปดีแล้วพระธรรมคาสอนปราศจากมุนทินคือราคะเป็นต้นหมู่พระอริยสองมีภาษารีบตรเป็นต้นปฏิบัติดีแล้วแต่ศาสนาของพระศาสดาที่ดํารงอยู่ได้ก็เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย น, นะก็คือรวมพวกเราอยู่ในนั้นด้วย นัการบำรุงพระธรรมไตรยให้พระศาสนาดำรงมั่นอยู่ต่อไปก็ชื่อว่ายัางประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ได้รับความสุขอนุตริยะอีกข้อต่อไปคืออนุสตาอนุตริยาเนี่ยนะหลายท่านบอกว่าก่อนจะหลับก็ละลึกถึงพุทธคุณหลับไปตื่นขึ้นมาก็มาละลึกต่อไปอีกเหมือนกัน นะสมมติว่าระลึกไปเรื่อยใช่ไหมระลึกถึงผู้ตะกูลเนี่ยผู้ที่สาทะยายได้หลายๆสูตรก็ระลึกไปเรื่อยๆพระองค์เป็นพระอรหันต์เป็นต้นด้วยการยกย่องชมเชยเนี่ยนะก็หลับสนิทไปเตินขึ้นมาระลึกต่อนันะนั่นก็อันนี้ก็นับว่าเป็นผู้มีบุญมากได้อนุสตาอนุตรยะเนี่ยนะเป็นการระลึกที่ยอดเยี่ยมนะถ้าหากว่าเราไม่ระลึกอย่างนี้เนี่ยนะ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 อนุสตาอนุตริยะเป็นต้นนะจริงๆอนุตริยะทั้งหกประการเลยเกื้อกูลต่อการบรรลุมรรลทั้งหมดการที่เราได้อยู่ในปฏิรูปประเทศเนี่ยจะเกื้อกูลทําให้เราได้อนุตริยะทั้งหประการบางแห่งนะได้แต่เฉพาะทัศนานุตริยะเช่นบางประเทศที่มีแต่เจดีแต่มีการรับเอ่อเลิกนับถือ พระศาสนาแล้วเนี่ยนะแต่ของเรานี่ก็ได้อนุตรยะตั้งหลายข้อถึงไม่สมบูรณ์เหมือนสมัยพุทธกาลแต่ก็นับว่าก็ยังได้นะก็นับว่ามีบุญมากได้ลาภานุตรยะแล้วได้ลาบแล้วที่ได้นับถือคารบละลึกถึงพระรัตนตรยัยส่วนสถานที่ที่กล่าวมาในคำภีเนี่ยนะกล่าวในคำภีคือมัชชิมประเทศก็คือประเทศอินเดียในตอนนี้นั่นแหละ เป็นดินแดนที่พระเจ้าจักรพรรดิเกิดขึ้นเป็นที่ที่พระมหาสาวกมีภาษาดิบรเกิดขึ้นพภาษาดิบรนี้เป็นชาวเมืองไหนอ่ะนะเมืองนารันทาเป็นชาวเมืองนารันทาพระมหากสปะก็เป็นชาวเมืองมคตนีนนยก็อยู่ในแคว้นแคว้นแถวแถวนั้นน่ะเรียกว่าวบ้านมหาติดมหาติดทะคามส่วนพร ะ, ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นชาวกบิลพัทใช่ไหม สากบิลพัทก็แถวเนปาลส่วนพระประเจกพระพุทธเจ้าก็ไม่เลือกนะนะสามารถเกิดได้ปริมณฑลรอบหมดพระพุทธโคสาจารย์ผู้เรียบเรียงคำภีอัตกถาที่เรากําลังเรียนอยู่นี้เป็นชาวพุทธคยาเนี่ยนะอันใครที่ไปพุทธคยาก็ควรระลึกถึงพระพุทธโคษาจารย์ด้วยเนี่ยนะพระพุทธโคสาจารย์เป็นชาวพุทธคยา ท่านอยู่ที่สีลังกาไม่นานท่านบอกว่าคิดถึงพระเจดคิดถึงต้นพระศีมหาโพลอันท่านกลับมาจะได้บูชาต้นมหาโพนะพระพระพุทธโคสาจารย์เพราะฉะนั้นสถานที่ตรงนี้เนี่ยนับว่าเป็นเป็นมัชิมประเทศเพราะว่าเป็นที่เกิดของผู้มีบุญทั้งหลายผู้มีบินผู้มีบุญทั้งหลายมีบุญจริงๆนี่จะเกิดที่นั่นเนี่ยนะ ส่วนของเราทั้งหลายก็มีเหมือนกันแต่มีไม่มากแต่ถ้าตอนนี้ได้เกิดที่นั่นก็คงไม่เอาอีกนั่นแหละเกิดที่นี่มันดีแล้วล่ะแต่ได้ไปไหว้ที่นั่นซะบ้าง<ต> <c oughs> นนถ้าไปเกิดที่นั่นไม่รู้จะอยู่ฐานะไหนก็ไม่ทราบนะไม่รู้อาจจะไปขอยกมายกมือนอี่ครั้งหนึ่งไปที่นารันทายกข้างๆวัดนันะมันได้ยินเสียงเกลี้ยวเยวียวเยเยยไปหมดฐานไปนี่ขอทานทั้งนั้นเลยนะม <c oughs> ันก็ ในยุคนี้ได้มาเกิดประเทศไทยในจงภูมิใจเถิดยอมคนหนึ่งก็ไปนะก็บอกว่าโอ้ยเขามีบุญจริงๆที่ได้เกิดประเทศไทยว่างนั้นแต่ไปเกิดที่นั่นละแย่แน่นะคุณทพาดีใจไหมที่ได้เกิดที่นี่ดีใจแล้วนะแต่ไปเกิดที่นั่นในเดือดร้อนไม่แน่นะก็บุญของใครก็ของใครนะอาจจะเป็นผู้มีบุญก็ได้ทีนี้มาดูต่อไปว่าปฏิรูประเทศเนี่ยถือว่าเป็นปจัจจัยที่ที่ทําให้เกิดการฟังธรรม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 เพราะว่าเราไม่รู้รอกถ้าไปบอกว่าพระคุณเจ้ารู้ธทำใดนีม่ก็ไม่แน่ถ้าพระคุณเจ้ารู้อกุศลธรรมใดก็เดือดร้อนนะ <laughs> เพราะฉะนั้นก็ตั้งเอาให้ตรงเลยนะว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ทำใดให้ข้าพเจ้าตรัสรู้ธรร ม, มนั้นด้วย <laughs> ถ้าเราไปตั้งไม่เป็นเนี่ยไปตั้งนิพพานแล้วนิพพานของเราเป็นยังไงนะถ้าตั้งคําว่านิพพานเนี่ยเพราะของเดียร์ถีทั้งหลายเขาก็เรียกว่านิพพานเพราะฉะนั้นก็ตั้งให้ดีก็ควรตั้งว่าพระองค์ตรัสรู้ทำใดให้เรามีส่วน ตรัสรู้ธรรมะนั้นด้วยนั้นไปไหว้พระเจดีย์ก็พยายามที่บอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสรูร้ทำใดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายตรัสรู้ธรรมะนั้นด้วยพระพุทธเจ้ากำหนดรอบรู้ในอุปาทานขันห้าก็ขอให้เรามีส่วนในการกำหนดรอบรู้อุปาทานขันห้าพระพุทธเจ้าละสมุไทยละตันหาก็ขอให้เรามีส่วนในการละตันหาละสมุไทยพระพุทธเจ้าทำนิโรธคือพระนิพพานให้แจ้งเราก็ตั้งความปรารถนาเพื่อ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 จะกําหนดรู้ทุกอย่างไรละสมุทัยอย่างไรที่มาที่นี่บางท่านบอกว่าขอให้บอกวิธีทําปริญญาในทุกเธอว่างั้นนะนะอาจจะขอทําปริญญาอย่างเดียวเลยนะก็ละสมุทัยด้วยนะทํานิโรธให้แจ้งและก็อบรมอริยมรรคส่วนในการทําปริญญาเนี่ยนะทำที่เป็นปริญญยธรรมก็คงอาจจะได้กล่าวเพิ่มเติมรายละเอียดพอสมควรในมงคลว่าด้วย อริยสัจจานัศนังคือการเห็นอริยสัจเนี่ยนะคะ่ะจะได้กล่าวถึงปริญญาพอสังเขกก็ของที่นั่นอีกครั้งหนึ่งแต่จริงๆแล้วทุกครั้งที่กล่าวนะอย่างเช่นที่กล่าวว่าก็กายนี้เป็นที่ประชุมแห่งมหาพูดนะมีบิดามารดาเป็นแดนเกิดเจริญด้วยข้าวสุก ข, ขนมสดต้องอบต้องฟันเป็นนิดท่านจงพิจารณาโดยอนะเออต้องอบต้องฟันเป็นนิดอันนี้เรียกว่ายาตาปริญญา ท่านจงพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวสีเป็นดังลูกศรเป็นความลําบากเป็นความเจ็บไข้เป็นดังผู้อื่นเป็นของไม่ใช่ตนอันนี้เป็นตีรณะปริญญาถ้าท่านพิจารณาอย่างนี้ท่านจะละความเป็นอยู่ในกายเนี่ยนะความตกอยู่ในอํานาจของกายในกายความเยื่อใหญ่ในกายได้ถ้าพิจารณาอย่างนี้จักละฉันทราคะได้อันนี้เป็นปหานะปริญญาเนี่ยนะ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 มียี่ห้อติดด้วยหน่อยนะจึงจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่จริงๆแล้วการฟังพระธรรมก็ควรฟังหลากหลายนะไม่ใช่หัวข้ออย่างใดอย่างหนึ่งยอมคนหนึ่งยกมือแล้วถามว่างไงยอ ม, ม เ, นเนมนนนจนพรอ๋อจดไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้ถ่ายเอกสารเอานะคณิตลอกได้ทั้งหน้าเลยออกมาเป็นปื้นเป็นปืน้นนะนะอยู่ในเล่มยี่สนะชื่อว่าทีขันาขาสูตรจันยีส ก, ก็ฝาก ฝากให้คุณโยมทางโน้นด้วยคงจำได้นะว่าอะไรอยู่ในเล่มยี่ินะชื่อว่าทีฆ้านขาสูตรเนี่ยนะมัชฌิมนิกายมัชฌิมปัญ น, นาตสูตรที่พระองค์ตรัสที่ถ้ำสุกระขาตาเขาคิชกุตนะนะใครที่จะไปอินเดียก็อ่านไว้เลยเล่มเขาคิชกุตนั่นทีนี้มาดูเรื่องมงคลข้อต่อไปเลยนะบกเพ จากัตปุญญาตาเรียกว่าปุเพกตปุญญาตาผู้มีบุญอันทํำไว้แล้วในชาติปางก่อนอนะคนมีบุญเก่านะความเป็นผู้ปรารบพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าพระขี่นาศกสร้างกุศลเอาไว้ในชาติที่ล่วงมาแล้วชื่อว่าความเป็นผู้ทําบุญไว้ในปางก่อนอันนี้นะก็คือชาติที่แล้วเนี่ยได้ทําบุญเช่นพระนรทำบุญกับพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตะ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 พระองค์ก่อนๆมาเรียกว่าเป็นผู้มีบุญทําไว้ในปางก่อนทีนี้พอตรงนี้กันนะขอแทรกความเห็นส่วนตัวนิดหนึ่งว่าพอมานะไม่ได้มีความรู้สึกว่าชาติที่แล้วเรามีบุญหรือไม่มีบุญแต่แต่รู้ว่าชาตินี้เราจะต้องทําบุญนะเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยเราจะต้องมีบุญในปางก่อนนั้นชาติหน้าทีนี้เราไม่กลัวอะไรสักอย่างละเราทําบุญไวแล้วจะเป็นหนักใจทําอะไรนะเพราะเราชาตินี้เราทําบุญด้วยมือของเราเราก็รู้อยู่แล้ ว, วอะไรเป็นอะไรใช่ไหม เทนี้ชาติทีแล้วไม่ต้องไปหวยหาหรอกเดี๋ยวก็ไปพูดแล้วมันท้อใจาไปหมดนึกอะไรก็ไม่ค่อยเห็นเนี่ยนะเอาชาตินี้แหละจะเป็นชาตินี้จะต้องเป็นบุญเก่าของชาติหน้าแน่นอนอันนี้รู้เลยนะเพราะอันนี้จะต้องเจริญให้ได้ให้เต็มที่เนี่ยนะนั้นถ้าหากว่าเราทั้งหลายเนี่ยไปคอยว่าอชาติที่แล้วเราบุญน้อยบั่งอะไรบ้างชาตินี้ก็น้อยเข้าไปอีกเพราะไม่ค่อยทําอันนี้ก็ไม่คิดแล้วชาตินี้จะทําให้มันชุ่มใจเลยนะทําให้มัน เรีกว่าเท่าที่จะทําได้อะไรทําได้ก็ทำนะชาติหน้าเนี่ยนะจะไม่รําเพิงรําพันธุ์ไม่แม้บุญน้อยอันนั้นทํามาน้อยอันนี้ทํามานนิดอันนี้ทํามานหน่อยอันนี้ไม่มีเนี่ยนะเพราะว่าอ้อะไรม้างเราไม่ได้ทำนะล้วก็จะคิดแบบนี้และต่อไปนั้นก็อะไรที่เป็นบุญเนี่ยก็ไม่เกี่ยงนะจะรีบทำที่สุดอย่างที่ใจมันต้องการ